ที่ส่งมุ่งให้สองเป็นชุมชนแบบอย่างซึ่งไม่มีการถือชาติชั้นวรรณะทางเลือกอีกอย่างหนึ่งในเรื่องนี้คือกำหนดอภูมิธรรมที่ได้บรรลุเป็นหลักแต่ทางเลือกนี้จะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเป็นอันมากและจะไม่สำเร็จผลแท้จริงเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นยากจะพิสูจน์ว่าใครจริงใครเท็จและผู้บรรลุเองก็ย่อมไม่เที่ยวโอดอ้าง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 ซึ่งจะต้องฝึกอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนจึงมีพุทธพจน์ตรัสเตือนผู้ใหญ่ไว้หลายแห่งเช่นในธรรมบทว่าคนไม่ใช่เป็นเทระหรือผู้ใหญ่เพียงเพราะมีผมงอกถึงวัยของเขาจะแก่งอมก็เรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะธรรมอหิงสาความควบคุมและฝึกตนผู้นั้นแหละเป็นปราด คายมนทินแล้วเรียกได้ว่าเป็นเทระบาลีแห่งหนึ่งคือในสังคีติสูตรทีคณิกายปาติกวัตรแบ่งเทระเป็นสามพวกคือหนึ่งชาติเทระผู้ใหญ่โดยกําเนิดคือตามอายุ 2. ธรรมเทระผู้ใหญ่โดยธรรมและสมสมมตเทระผู้ใหญ่โดยสมมติ